ไมลินปัญหาของกรมศิลปากรไมลินทปัญหาเมนกะปัญหาปฐมวรคสัพพัญยุภาวะปัญหาที่สองถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญยูสารพัดรู้นั้นจริงหรือพันเตนาคเสนาพุทโธสัพพัญยุติ อามะมหาราชะภัควาสัพพันยูจะภัควโตสตตังญาณทัศนังปัจจุปัตติตังอาวัชนะปฏิพัทังภัควโตสั พ, พันยูตะญานางังอาวชิตตวายทิชิกังชานาตีติพระเจ้ามิลินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสถามว่าพันเตนาคเสณะ ขาแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาสมเด็จพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นสัพพัญยูหรือพระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่าอามะเออร์บพิษพระราชสมภารสมเด็จพระศาสดาจารย์เจ้าเป็นพระสัพพัญยูรู้เห็นด้วยปัญญาพระศาสดาจารย์เจ้าพิจารณาแล้วรู้เห็นซึ่งสิ่งสารพัด ท, ทั้งปวงจึงเป็นพระสัพพัญยู ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาถ้าว่าสมเด็จพระมหากรุณายังต้องพิจารณาก่อนจึงรู้จะว่าเป็นสัพพันยูอย่างไรพระนาคเสนจึงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชาสมภาร อันว่าพระสัพพัญยุตยานของพระมหากรุณาเจ้านี้ต้องพิจารณาก่อนก็จะจริงแลแต่ทว่ารวดเร็วนักหนาเปรียบประดุดบุคคลตวงข้าวสองถังก็ดีสามถังก็ดีห้าถังก็ดีช้านักหนาแม้มาตว่าสมเด็จพระมหากรุณาเจ้าพิจารณาซึ่งข้าวที่คนทั้งหลายตวงก็รู้ก่อนที่ตวงนั้น เร็วพลันประมาณลัดนิ้วมือเดียวตกวารวดเร็วเชน่นนี้ประการหนึ่งลักษณะจิตมีเจ็ดประการบุคคลที่มีจิตประกอบด้วยราคะโทสะโมหะประกอบด้วยตัณหาและกิเลสนั้นมีกายไม่ได้จำเริญจิตแห่งบุคคลจำพวกนี้มักมีประวัติอันชา้ากิ่งการนาเป็นเหตุอย่างไรเหตุว่า ไม่จำเริญจิตของอัตมายะถาและจะเปรียบฉันใดอุปมาเหมือนลำไม้ไผ่อันรกแต่ต้นจนปลายมีแขนงทั้งหลายเกียวกระหวัดรัดรึงหุ้มหอกก่อไม้และบุคคลตัดต้นให้ขาดมิอาจจะชักมาเร็วได้ต้องสางแขนงนามไหนให้ช้าอยู่ด้วยเหตุว่าแขนงนั้นรกฉันใดก็ดีจิตแห่งบุคคลเป็นโลกี ประกอบราคะโทสะโมหะและตัณหากิเลตนั้นและมีกายมิได้จำเริญมีจิตมิได้จำเริญมีศีลมิได้รักษามีปัญญามิได้พิจารณาจิตช้าเขานักเหตุไฉนเหตุว่าร้อยกรองไปด้วยกิเลสเหตุดังนี้จึงตั้งไว้เป็นปฐมที่หนึ่งและจิตเป็นคำรบสองนั้นได้แก่จิตพระโสดา ตีนาอาบายามีอาบายภูมิละเสียเป็นอันดีคือพระโสดาทั้งหลายนี้มิได้เกิดในอาบายด้วยเหตุพระโสดาทั้งหลายละเสียซึ่งบาปประธรรมทั้งหลายสาคือสากายยทิฏฐิวิจิกิจชาสิลพตะปรามาตรทิฏฐิ ป, ปัตตามีปกติเห็นเที่ยงในพระจตุราริยสัต ปรนนิบัติตามพระศาสนาคือคำสั่งสอนของสมเด็จพระมุนีวรสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตแห่งพระโสดานั้นเร็วว่องไวในที่ทั้งสามครั้นว่าพลวิสัยของตนเบื้องบนขึ้นไปก็ช้าตึงอยู่เหตุไฉนเหตุว่าใจพระโสดานั้นบริสุทธิ์ในที่ทั้งสามคือสกายะทิฏฐิเป็นต้นและเบื้องบนนั้น รกชัดอยู่ด้วยกิเลสเบื้องบนมิได้ขาดจากสันดานเปรียบานหนุดหนึ่งว่าลาไม้ไผ่มีแขนงข้างต้นสามปล้องนั้นบริสุทธิ์ปล่าจากแขนงหนามบุคคลตัดชักลงมาก็ครองอยู่สามปล้องเท่านั้นครั้นถึงเบื้องบนก็รกปกคลุมหุ้มห่อขัดอยู่หาลงไม่นี่แหละเปรียบในจิตคำรบสองและจิตเป็นคำรบสามนั้น ได้แก่จิตพระสะกิทาคามีจิตพระสะกิทาคามีนั้นน้อยไปในราคะโทสะคือมีราคะโทสะอันน้อยมีจิตรวดเร็วในที่ทั้งห้าผ้นนั้นยังมีกิเลสหุ้มห่อหนักอยู่เปรียบชั้นใดดุดไม้ไผ่มีลำและมีปล้องเปล่าอยู่ห้าปล้องเมื่อบุคคลตัดกระชากคล่องแต่เพียงห้าปล้อง เบื้องบนยังรกชัดก็ขัดอยู่นี่แหละเปรียบด้วยจิตเป็นคำรบสามยังอีกจิตเป็นคำรบสี่ได้แก่จิตพระอนาคามีอัลละเสียซึ่งสังโยชน้าอันเป็นส่วนเบื้องต่ําจิตของพระอนาคามีเบาและรวดเร็วในฐานะสิบประการครั้นพ้นฐานะสิประการไปในเบื้องบน จิตของพระอนาคามีก็เงื้อหงอยเหนื่อยไปยะถาฉันใดเปรียบประดุดดังลำไม้ไผ่อันมีปล้องสิบปล้องเบาคล่องแคล่วเป็นอันดีเมื่อบุคคลตัดแล้วกระชากลงมาคล่องอยู่สิบปล้องเท่านั้นครั้นและพ้นนั้นก็ยังฟั่นเฟืออยู่เหตุว่าเบื้องบนนั้นขัดคล่องอยู่นี่แหละได้แก่จิตพระอนาคามีเป็นจิตคำรบศี ที่นี้จะว่าด้วยจิตเป็นคำรบห้าได้แก่จิตพระอระหันต์มหาขีนาสวะเจ้ามีกิจคือบรรพชิตกิจอันกระทาสำเร็จแล้วมีสังโย์ขาดจากสันดานบรรลุแก่ยานะปฏิสัมพิธาบริสุทธ์ในสาวกกูมิจิตแห่งท่านเบาในสาวกวิสัยมีประวัติอันเร็วยิ่ง ครั้นตรองตึกนึกขึ้นไปถึงปัจเจกับพุทธวิสัยแห่งพระปัจเจกับพุทธเจ้าก็เงื่อเหงาช้าไปเหตุว่าบริสุทธในสาวกวิสัยมิได้บริสุทธในปัจเจกับพุทธวิสัยเปรตประดุดไม้ไผ่มีปล้องและขแขนงอันบริสุทธเบาจะชักมาก็คล่องแคล่วยิ่งนักเหตุว่ามีขแขนงหนามทั้งปวงร่วมไปไม่พักลิศฉันใดก็ดี จิตแห่งพระอระหันนั้นมิได้มีกิเลสตัณหาคล่องอยู่ในสันดานพระหานเสียซึ่งบาปรรมสำเร็จแก่พระปฏิสัมพิธาตั้งอยู่ในสาว ก, กภูมิก็คล่องอยู่ในสาว ก, กภูมิจิตประวัติไว้ดุดไม้ไผ่อันเปล่าจากน้ำหาหนาและขแนงมิได้นั้นครั้นขึ้นไปถึงปัจเจกพุทธวิสัยก็ขัดอยู่ไม่คล่องแคล่ววิสัชนาในจิต เป็นคำรบห้าจบแต่เพียงนี้จิตเป็นคำรบหกนั้นได้แก่จิตแห่งพระปัจเจกภูที่เจ้าอันเลิศมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันประเสริฐในสมบัติอันเป็นสุขโสดฝ่ายว่าพระปัจเจกภูที่เจ้าทั้งหลายนี้เป็นเอกจารีมีปกติประพฤติเป็นเอกหาครูหาอาจารย์ไม่ได้ บริสุทธิ์ในสักะวิสัยวิมลจิตตาหามนทินจิตมิได้ตั้งอยู่ในปัจเจกภูมิก็ว่องไวอยู่ตามวิสัยพระประเจกภูท่เจ้าครั้นล่วงเข้าวิสัยพระพุทธสัพพันอยู่ประวัติจิตนั้นก็อับเช้าเคลาไปเหตุว่าวิสัยท่านเป็นแต่พระประเจกภูมิไม่ใช่พุทธวิสัยจะเปรียบชั้นใดดุษบรุษชายผู้หนึ่งนั้น เคยข้ามแม่น้ำอันน้อยจะข้ามกลางคืนก็ได้ไม่สะดุ้งไม่กลัวครั้นตัวบุรุษนั้นมาปะมหาสมุทรอันใหญ่เข้าก็อับเฉาชักฉงนจนอยู่ดูน่ากลัวนักหนาไม่อาจที่จะข้ามได้จิตพระประเจกับโพธิตั้งอยู่ว่องไวก็แต่วิสัยแห่งตนพ้นขึ้นไปถึงวิสัยสมเด็จพระสัพพันธ์อยู่เจ้าแล้ว ก็ขัดสนมืดมนนักหนามิอาจสามารถที่จะคิดได้อุปมาดังบุรุษชายนั้นวิสัชนาด้วยจิตพระปัจเจกโพธิภูมิเป็นคำรบหกก็จบเท่านี้จิตเป็นคำรบเจ็ดได้แก่จิตสมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าเป็นพระสัพพันธ์อยู่นั้นถึงซึ่งภาวะแ ก, กล้าในจตุเวสารัชยาน ประกอบด้วยอัทธาระษะพุทธธรรมสิปดประการอานันตญาณชิโนผจนพลมานจะนับไม่ได้อานันตยาโนมีพระญาณจะนับไม่ได้มีจิตเบาประวัติว่องไวเป็นเหตุชไหนสัพพะทะบริสุทธตาเหตุว่าบริสุทธิ์ผ่องใสไปสิน้นไม่มีมณทินค้องขัดอยู่มหาราชะ ดูราณะบพิษพระราชสมภารปานดุจหนึ่งว่าลูกสอนอันมิได้ฟั่นเฝือขัดเกลาเป็นอันดีอันนายธนูยกขึ้นสู่แหล่งธนูอันมิได้โคดโกงเลี่ยนสุขุมเป็นอันดีแล้วยิงไปตกลงถูกผ้าเนื้อดีที่ขึงไว้คือผ้าใยบัวและผ้าฝ้ายผ้าโมพัดทั้งหลายลูกสอนอนั้นแรงนักหนา จะข้องอยู่กระนั้นหรือพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโ อ, อการตรัสว่าพันเตข่าแต่พระผู้เป็นเจ้าลูกศร น, นั้นจะได้ข้องอยู่หามิได้พระนาคเษนจึงมีเทระวาจาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระสัพพันยูทศพลายานเจ้า ทรงไว้ซึ่งจตุเวสารัชยานอันแกล้วกลาและอัถรสะพุทธธรรมสิแปดประการผจญพละมานมีพระยานจะนับจะประมาณไม่ได้มีน้ำพระไทยประวัติจิตเบาว่องไวรวดเร็วนักหนากิงการณาเป็นเหตุดังหรือเหตุว่าสารพัจะบริสุทธิผ่องใสว่องไวนักหนามหาราช ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารจิตสมเด็จพระชสปุรยานล่วงพ้นเกินจิตทั้งหคือจิตปุถุชนหนึ่งจิตพระโสดาบันหนึ่งจิตพระสกิทาคามีหนึ่งจิตพระอนาคามีหนึ่งจิตพระอรหันหนึ่งจิตพระปเจกโพธิหนึ่งจิตของพระองค์เจ้าเบาว่องไวพึงเข้าพระไทัยเถิดว่าสัพพัญยุตยานของพระพุทธเจ้า เนื่องไปด้วยการพิจารณาพิจารณาก่อนจึงรู้ตามปรารถนาแต่ทว่าจะช้าอยู่หามิได้ยะถาจะมีอุปมาฉันใดมหาราชดูราณบาบพิษพระราชสมภารปริปานดุดบุรุษผู้หนึ่งได้ซึ่งวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ข้างซ้ายจะนำไปวางไว้ข้างขวาอันหนึง่ง จะเปล่งวาจาและจะลืมตาจะหลับตาจะกลืนอาหารจะคู่แขนเข้าจะเหยียดแขนออกประการใดดูนี่เร็ววานักหนาถึงกระนั้นก็ยังช้าแสนที่จะชา้าอันสมเด็จพระบรมศาสดาจะพิจารณาแล้วเร็วกว่านั้นยิ่งหนักสมเด็จพระศาสดาจารย์เจ้าจะไม่เป็นพระสัพพันยูเหตุวิกลอยู่ด้วยกิจที่พิจารณา หาไม่ได้สมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ว่าโยมยังสงสัยเมื่อยังพิจารณาอยู่แล้วปริเยสนะสังขาตังก็ชื่อว่ายังสแสวงหาอยู่ก็เมื่อยังสแสวงหาอยู่จะว่าเป็นพระสัพพันธ์อยู่เป็นผู้สารพัด ร, รู้แล้วเป็นไรจึงต้องสแสวงหาเล่านิมนพระผู้เป็นเจ้า ว, ว่าให้เข้าใจก่อน พระนาคเกษถวายพระพรว่ามหาราชดุรานะอพิษพระราชสมภารานดุดบุรุษผู้หนึ่งเป็นผู้มั่งคั่งมั่งมีบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติต่างๆมีเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้สอยมากมีข้าวเปลือกมากคือมีทั้งข้าวขาวข้าวแดงฟักแฟงแตงน้ำเต้าข้าวเจ็ดประการ น้ำพึ่งน้ำนมน้ำตาลถั่วงาสาคูมีอยู่ทุกประการสำหรับอาหารยกมาเอาฟ้าชีปิดไว้แต่ข้าวยังไม่ได้หุงก็เอาเข้าวสารใส่หม้อตั้งบนเตาไฟแต่ว่ายังหาทันสุกไม่พอแขกมาหาจะให้กินข้าวต้องช้าอยู่พอหม้อข้าวสุกจึงได้เลี้ยงแขกนี่จะว่าบุรุษผู้นั้น ใช่คนมั่งมีเป็นคนจนคนอนาถาหรือจะว่ากระไรนะบ่ผิดพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์จึงมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าจะว่าบุรุษผู้นั้นเป็นคนอนาถาหาไม่ได้แต่ในพระราชนิเวศบรมมาจากทีเดียวถ้าผิดเวลาแล้วจะได้มีข้าวสุกหาไม่ได้ นับระสาอะไรกับบุรุษคฤหะบดีเล่านี่วิกกลแต่เท่านี้จะเป็นไรมีบุรุษผู้นั้นก็เป็นคฤหะบดีมิได้เป็นคนอนาถาพระนาคเษนถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระาศาสดาจารย์เจ้าวิกกลอยู่จะ ต, ต้องพิจารณาก่อนเท่านี้จะเป็นไรมีเล่า พระองค์เจ้าก็เป็นพระสัพพันธ์อยู่เจ้าจะไม่เป็นพระสัพพันธ์อยู่หาไม่ได้ขอถวายพระพรอนัหนึ่งเล่าดุรานะบพิษพระราชสมผานปานพระหนึ่งพระเจ้าบรมจักกรพัดส่งพระดำริถึงจั ก, กรัตนะจั ก, กรัตนะนั้นก็มาถึงเร็วพลันฉันใดก็ดีสมเด็จพระบรมโล ก, กหน้าเจ้าก็เหมือนกัน พิจารณาแล้วก็รู้เร็วพลันขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรก็สมโมสอนสาธุการว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาสำปฏิจฉามิโยมจะรับคำพระผู้เป็นเจ้าสมเด็จพระผู้เป็นเจ้าเป็นองค์พระสัพพันธ์อยู่จริงในการบัดนี้ พุทธะภควัตโตสัพพันยูภาวะปัญหาเป็นคำรบสองจบเท่านี้